164่งกบนบัตนี้มันได้เคลื่อนกายอย่างนุ่มนวลและดูว่าสุภาพที่สุดเข้ามาหยุดยืนสงบนิ่งแกว่งงวงไปมาช้าๆอยู่ตรงตำแหน่งที่หลอนนอนอยู่เมื่อคืนสูงใหญ่ทะมุนทึนและความที่มีระยะใกล้กับหินใหญ่ที่หลอนกำบังอยู่ทาให้ต้องแหงนคอตั้งดวงตาของมันแลนิ่งมาที่หลอน มองดูแล้วหาใช่ดวงตาของสัตว์ประเภทช้างป่าสามัญธรรมดาไม่แต่เป็นดวงตาประดุจมีวิ ญ, ญญาณของปีาศาจร้ายเข้าไปอาศัยสิงสถิตยอยู่เต็ไมไปด้วยรับลมและเล่เหลี่ยมอย่างรู้แม้จะเป็นเวลากลางวันแสกแสกเช่นนี้ความที่เข้ามาเผชิญหน้ากันอย่างกระชั้นชิดและแม้ว่าจะโดยข้อตกลงที่รู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็ตาม ดารินวราริตขนลุกเกลียวทั้งกายบังเกิดอาการร้อนและหนาวสลับกันสติสัมปชัญญะจะมั่นคงสักเพียงใดแต่ก็ไม่ไวผวาไปด้วยอาการสยองกล้าวล่อนยังไม่กล้าที่จะขยับขยื้อนกายใดๆทั้งสิน้นและมันก็ยังยืนนิ่งตรงงานอยู่ตรงนั้นเกือบจะดูเหมือนโขดหินถ้าไม่ใช่เพราะงวงและใบหูที่แกวงอยู่ไปมา ลักษณะอาการเหมือนจะรอคอยให้ลอนพลูออกมาเองอีกครั้งที่หญิงสาวพยายามสงบจิตภาวนาถึงพระพุทธคุณจนกระทั่งสามารถรวบ ร, ร, รวมสติพลังใจให้กลับคืนมาได้ครบถ้วนมันไรใช่ไหมยลอนร้องเรียกออกไปเสียงหนักๆโคดจสารงาดำชูงวงขึ้น เป่าลมขึ้นไปบนอากาศอีกครั้งเหมือนจะเป็นการตอบรับนี่เจ้าจะมารับข้าตามที่ตกลงกันไว้เมื่อคือนนี่ใช่ไหมยพยายามร้องถามพูดจากัมมันตต่อไปอีกไม่มีเสียงตอบใดๆมาจากช้างผีสิงตัวนั้นไม่มีแม้แต่การให้เสียง นอกจากดวงตาที่กรอกลิ้งแลมาทางหล่อนเท่านั้นมันเห็นหล่อนในที่ซุ่มตัวอย่างชัดเจนแน่นอนเอาละถ้าหากว่าเจ้าเป็นพาหนะที่มันไตรส่งให้มารับ้าจริงก็จะแสดงอาการตอบรับให้ข้าแน่ใจจงหมอบลงเดี๋ยวนี้หมอบลง ยังไม่มีอะไรที่จะต้องเคลือบแคลงอีกเลยช้างงาดำสนิทปานนินตัวนั้นค่อยๆย่ อ, ยยอเข่าหน้าสุดลงอย่างเช่มช้าต่อจากนั้นขาหลังทั้งสองก็หย่อนตามลงมาสภาพของมันกลายเป็นหมอบลงตามคำสั่งของหล่อนที่เสียงสั่งการออกไปดารินลืมตาโพลขนลุกเกลียวอีกครั้ง หล่อนไม่มีทางเลี่ยงแล้วถ้าหากว่าหล่อนยังปรารถนาที่จะให้ระพินไพรวันรอดพ้นจากการติดตามรังควานมุ่งร้ายของมันไรตามที่ตกลงกันไว้แล้วหล่อนจะต้องไปกับไอ้ช้างปีศาจ ท, ที่มาด้วยอำนาจสั่งด้วยกริยามนของจอมมหาพูดผู้อมตะตนนั้นเป็นตายร้าดียังไงค่อยไปแก้ไขปัญหาเอาข้างหน้า นี่คือข้อตัดสินใจของดารินวราริปิ้นในมือไร้ประโยชน์ซะและ้วหล่อนสอดเข้าซองตามเดิมติด เ, เป๊กสายรัดอย่างมั่นคงกันตกหล่นแล้วก็ค่อยๆ ค, คลานออกมาจากช่องหินที่ลอดเข้าไปโผลอมาทางเบื้องหน้าของมันที่สุดมอบอยู่ประดุดภูเขาลูกย่อมๆบริเวณที่หล่อนคลานออกมา อยู่ในระยะที่ปลายงวงของมันถ้าจะยื่นกวาดออกมาก็จะถึงตัวพอดีแต่มันก็ยังม้วนงวงสงบนิ่งอยู่ในอาการที่ดูเหมือนแสงจะเชื่องหญิงสาวลุกขึ้นก้าวเดินเข้าไปอ ย, อยู่ด้านหน้าของมันพร้อมกับฝืนยิ้มให้เอาละก็เป็นที่ยอมรับรู้กันแล้วนะระหว่างข้ากับเจ้า ว่าเราจะต้องไปด้วยกันตามความต้องการของนายเจ้าแต่ข้าก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าตลอดราตรีที่ผ่านมาภายหลังจากที่นายของเจ้าได้คำมั่นสัญญากับข้าแล้วที่จะไม่แต่ต้องกระทำการไรใดๆต่ออัคคนิรุธและคณะของเขาอีกมันไตรได้ปฏิบัติตามสัจจะที่ให้ไวหรือไม่ส่วนสำหรับข้าน่ะ ก็ได้ยอมเสียสละตัวเองแล้วถ้าหากว่าวิญญาณของมันไรได้สิงสู่อยู่ในตัวเจ้าณบัดนี้และสามารถเข้าใจในสิ่งที่ข้าถามนี่ก็ขอยื่นงวงของเจ้าออกมาแล้วก็สัมผัสกับมือของข้าพร้อมกับกล่าวดารินยื่นมือขวาของหล่อนออกไปตรงหน้าโคจสานผีสิงตนนั้นลายงวงที่ม้วนจุกปากในท่าหมอบ ยื่นออกมาแล้วใช้ปลายจะงอยงวงค่อยๆวางแตะลงบนฝ่ามือของดารินสัมผัสของมันสากหยาบกระด้างแต่อย่างน้อยณนะบัดนี้โดยอาการชนิดนั้นมันส่อความหมายแห่งความเป็นมิตรและดูเหมือนจะเป็นการตอบคำถามของหลอนอย่างแจ่มชัดดารินพยักหน้าช้าๆถอนใจเยือก Hum, เสียดายเหลือเกินนะที่เจ้าพูดไม่ได้แต่ก็ดูจะเข้าใจอะไรในคําพูดของข้าทุกอย่างตงลกลงเราจะไปด้วยกันสุดแล้วแต่เจ้าจะพาข้าไปเถอะนรกขุมไหนข้าก็ไม่หวั่นอีกแล้วทั้งสิ้นและยังไม่มีการลังเลอะไรอีกเลยดารินก้มลงคว้ากระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ําที่ร้อยไว้ด้วยเส้นเถาวันเหนียวคล้องสะพายไหล่ไว้แล้ว ด้วยความชํานาญที่ตนเองเคยขึ้นไปอยู่บนคอช้างมาก่อนแล้วจากเจ้าด่วนหล่อนเย็ยบที่โคนงาของมันจับใบหูอันใหญ่มห่อคนั้นเหนียวโหนกายไตยขึ้นไปนั่งคล่อมอยู่บนคอของมันอย่างคล่องแคล่วเพราะหล่อ น, นั่งบนคอของมันได้เหมาะมั่นเรียบร้อยดีแล้วช้างงาดําเชือกนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นยืนอย่างนิ่มนวล เต็มส่วนสัตว์อันสูงใหญ่ของมันร่างของดารินลอยเด่นอยู่เหนือปาหินในทันทีหล่นตบเบาๆลงบนศีรษะของมันกล่าวต่อไปว่านี่เจ้าคงรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าเจ้าจะต้องนำข้าไปยังไงจึงจะรู้ล่วงตามจุดประสงค์ของนายเจ้าที่ใช้มาเจ้าต้องพยายามหลีกหลบกบเจ้าด้วนช้างของข้าไว้ดีนะ ถ้าเจ้าด้วนพบกับเจ้าเมื่อไร่มันจะต้องพุ่งเข้าใส่เจ้าเหมือนนั้นเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะเลือกเจ้าด้วนไม่ใช่เลือกเจ้าวิธีของข้าก็คือเจ้าลูกปืนก็กรอกเราไปกลางหัวตโตของเจ้านี่แหละแล้วข้าก็ไม่คิดอีกแล้วว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าต้องหาทางเลี่ยงเจ้าด้วนให้ดี อย่าเผชิญหน้าเป็นอันขาดเข้าใจไหมประโยคสุดท้ายหล่อนก้มลงมาพูดอยู่ริมหูของมันช้างผีลงแผดเสียงร้องออกมาเป็นครั้งแรกกระนั้นสำเนียงเสียงร้องของมันก็ดังก้องกังวานไปทั้งป่าจะเป็นว่าฟัง ว, ว่าเป็นเสียงรับคำก็ได้ ที่จะฟังเป็นเสียงหัวเราะเยาะยันของมันไรก็ได้นาหล่อนออกเดินดุมดุมผ่านไปตามป่าหินอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นโดยตัดออกเส้นทางดานใหญ่อาการเดินของมันราบเรียบเปรียบไม่ผิดอะไรกระชางเลี้ยงฉะนั้น ดว่ามันจะย่างเท้าไปอย่างช้าๆก็จริงเพราะว่าแต่ละกก้าวของสัตว์ใหญ่มันก็มีอัตราความเร็วเท่ากับมนุษย์ตัวกระจ้อยรอยที่วิ่งเหาะๆาะก่อนจะพ้นเขตป่าหินล่วงลงสู่ดงไม้ที่เห็นทึบทะมึนดารินก็มองเห็นพลายใหญ่อีกสองเชือกซึ่งมีอาการเหมือนจะซุ่มคอยอยู่ก่อนแล้ว เดินขนาดใกล้เข้ามาแบบพี่เลี้ยงคุ้มกันแล้วเข้าขบวนใกล้ชิดมาทั้งซ้ายและขวาแต่ละตัวมีขนาดใหญ่เท่าๆกันทั้งสิ้นเพียงแต่เป็นช้างสีดองาสั้นกุดจับหมูไปด้วยกันรวมเป็นสามตัวโดยมีเจ้างาดำเดินอยู่ตรงกลางหล่อนก็จะหนักแน่ว่าบัดนี้ ตัวหล่อนเองตกอยู่ในการควบคุมเหมือนเฉลยของมันไตรซะและ้วระพินชีวิตของฉันเดี๋ยวนี้ยอมสละให้เธอแล้วนะฉันตายได้แต่ขออย่าให้เธอต้องเป็นอะไรไปเลยหญิงสาวรำพึงกระตนเองหล่อนปลงตกหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ยอมตนให้พานิชของมันไรนำไปสู่จุดใดจุดหนึ่งก็สุดแล้วแต่มันระยะทางจะอีกยาวไกลเท่าไหร่จะใช้เวลานานสักแค่ไหนอะไรคอยอยู่เบื้องหน้าฝากไว้กับวิบากกรรมที่มองไม่เห็นหล่อนปราธนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นขอให้เขาผู้นั้นรอดปลอดภัยเป็นพอและอย่ามนี้ ดวงจิตของหล่อนก็ถูกแบ่งออกเป็นสองวิญญาณที่เข้ามาผนวกรวมกันแล้ววิญญาณหนึ่งคือดารินวราฤทธิ์ส่วนอีกวิญญาณหนึ่งคือจิตรางคนางแห่งอดีตการทั้งชาตินี้และชาติแต่ปางบันไม่มีอะไรคัดค้านกันเลยนั่นก็คือความกล้าหารเด็ดเดียวและเฉียบขาดสมชาติ ติยนารีผู้มีเลือดทุกหยดพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับชะตากรรมความลำบากยากเข็นทุกชนิดจนถึงที่สุดเพราะยึดความรักเป็นสรณะประดุษนางพญาภพรอีกครั้งเหนื อ, อคอคตชสารที่นำาล่อนบุกปล า, ายไพรกันดานไปด้วยอาการเดินปกติของมัน ชนิดที่ไม่สอว่าจะเร่งรุดหรือเร่งร้อนใดๆนะักหญิงสาวกวาดสายตาสังเกตจดจำภูมิประเทศทางผ่านไปโดยตลอดสัญชาตญาณสู้และความรอบคอบฉเฉลียวฉลาด ย, ยังคงเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของหลอนอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายหกตกหล่นไปไหนเลยผ่านไปใกล้คาคบไม้ตอนใด ที่อุดมงดงามไปด้วยกล้วยไม้ป่าอันสวยงามหล่อนก็ชะโงกกายเอื้อมมือไปเด็ดมาทัดหูแซมผมไปเรื่อยๆเจ้าช้างผีสิงแสนรู้ก็ดูเหมือนจะเอาใจหล่อนเป็นพิเศษแหล่งใดที่เต็มไปด้วยดอกเอื้องสะพรั่งมันก็จะเดินช้าลงและเฉียดใกล้เข้าไปเพื่อให้หล่อนเอื้อมเด็ดได้ถนัดมือ อาการเดินเยื้องอย่างของมันเล่าก็แสนที่จะทะนุถนอมผู้ที่นั่งเด่นอยู่บนคอของมันพยายามไม่ให้หล่อนต้องหวาดเสียวว่าจะตกหล่นพลัดลงมาหรือเกิดความสะเทือนใดๆทั้งสิน้นสร้างความรู้สึกที่สนิทสนมคุ้นเคยและไว้วางใจแก่หล่อนเพิ่มขึ้นราวกับว่าวิญญาณของปุโรหิตมันไรสิงอยู่ในตัวของมันอย่างเต็มที่ฉะนั้น พลางก็หวนระลึกตรึกนึกทบทวนไปถึงเรื่องราวแต่ปางก่อนที่ได้ทราบมาจากคำบอกเล่าของมันไรในเรื่องราวความเป็นมาระหว่างหลอนเองกับเขาผู้นั้นจิตรลางขนาและอัคคณิรุธไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อมันมีหลักฐานอะไรต่ออะไรหลายๆอย่าง มาสอดคล้องเจือสมกันอย่างกระดิกไม่ได้เลยเขาและหล่อนมีอดีตต่อกันมาอย่างสุดเศร้าสะเทือนใจเหลือประมาณและนี่ตัวเขาผู้นั้นเล่ายังจะได้ล่วงรู้ถึงความในเหล่านี้บ้างหรือไม่ว่าตนเองน่ะเป็นใครได้สร้างพฤติกรรมใดๆไว้กระญิงที่ตนแสนรักไว้บ้างหวนกลับมาเกิด และพบกันในชาติใหม่นี้ความรักถึงได้เต็มไปด้วยอุปสรรคลำเค็นเสือเหลือแสนแล้วนี่ยังจะต้องมีการพลัดพราดจากกันไปอีกสักกี่ชาติโดยที่ความรักไม่อาจจะสมหวังได้ประวัติศาสตร์แห่งความรักอันมีขวากน้าขวางกั้นนี้จะซ้ํารอยไปอีกกี่พบหล่อนหยิงในเกียรติภูมิ ส่วนเขาก็ทะนงอยู่ในศักดิ์ศรีทั้งๆ ท, ที่ต่างฝ่ายก็ต่างแสนรักกระทั่งในที่สุดความตายก็มาพรากหล่นไปจากเขาชาตินี้จะซ้ำรอยเดิมอีกหรือไม่ดาิินยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อคิดมาถึงคำบอกเล่าที่ว่าอัคนิรุษเป็นผู้มาลักพาขโมยศพของจิตรางขนางไป และไม่ได้เสกสมรสกับสตรีใดอีกเลยนับตั้งแต่สิ้นสตรีอันเป็นยอดรักไปแล้วจวบชั่วอายุไขของกษัตริย์หนุ่มผู้ทะนงผู้นั้นแล้วก็ชาตินี้แล้วระพิงจะปฏิบัติต่อดารินคนนี้เหมือนแต่ปางบันอีกหรือไม่ชาติก่อนในเงื้อมมือของมันไร ตลอดจนความโทมนัสผิดหวังที่ชายคนรักเป็นผู้ประหารบิดาแม้เขาจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามและถูกผู้เป็นอาขบฏ ท, ทรยศต่อราชบัลลังก์หล่อนตัดสินใจพระนี้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการดื่มยาพิษมาชาตินี้แล้วหล่ลอนกำลังตกอยู่ในเงื้อมมือของมันไรผู้รอคอยอีกวาระหนึ่ง หล่อนจะพละหนีหลีกเร้นได้อย่างไรดารินตั้งปัญหาถามตนเองเช้าตรู่ของวันเดียวกันนี้คณะของคุณชายเชิดาพากันตื่นขึ้นพร้อมกันหมดก่อนแสงตะวันขึ้นเสดุด้วยซ้ําเจ้าด้วนเป็นผู้ปลุกคณะทั้งหมดขึ้นด้วยเสียงร้องก้องของมันครั้งแรกทั้งหมดสะดุ้งขึ้นด้วยความตกใจ คิดว่าคงจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นแต่ก็ไม่สัมผัสกับสิ่งผิดปกติในปางพักช่วงราวที่อาศัยหลับนอนเอาแรงกันอยู่ภายหลังจากตรวจสอบกันอย่างทีทุ่นระมัดระวงังก็สันเนียกได้ว่ามันส่งเสียงร้องเออะขึ้นนั้นก็เป็นความหมายที่ต้องการจะปลุกคณะทั้งหมดให้ลุกขึ้นมาเตรียมเผชิญกับภาระอันหนักอึ้งแห่งวันใหม่นั่นเองเพราะเมื่อเชยทายยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดู ก็เห็นว่ามันเป็นเวลาหนาฬิกา30สนาทีพอดีไก่ป่าและนกบางชนิดกําลังขานขันและส่งเสียงร้องอยู่เป็นระยะระยะมันปลุกเตือนเราให้ออกตามนายหญิงแล้วลนายนั้นอินบอกกับคณะเจ้านายหลังจากลุกขึ้นมาตรวจสอบสถานที่อยู่พักใหญ่คู่กับขยิงเจ้าช้างป่าหางด้วนคู่ใจของดาริน ยืนโยกกายชูงวงแผเสียงร้องเปิน้สนันดงอยู่เช่นนั้นและมันก็เข้ามายืนอยู่ทางด้านศีรษะของเชษฐากับอนุชาซะด้วยซ้ำยังเอาปลายงวงเขี่ยหลังชัยยันผู้ลุกขึ้นมานั่งงวงเงียขยี้ตาอยู่หัวขมังไปข้างหน้าจนเขาต้องอุทานเสียงหลงทุกคนก็พร้อมในฉับพลันทันทีเหมือนกัน เช่ามไม่ยอมสีเวลาแม้แต่ใจพวกนั้นหึงหาสั่งให้ทุกคนกินอาหารเช้าด้วยเครื่องเรั่นซึ่งประหยัดเวลาที่สุดท่ามกลางสายหมอกที่ยังปกคลุมทึบทุกคนได้ผ่านการหลับนอนพักผ่อนกันไม่มากนะักแต่ก็สามารถสลัดความอ่อนระหวยรยแรงออกไปหมดสิ้นเพราะความหวังก็คือการรอให้ถึงวันใหม่เพื่อออกติดตามค้นหาน้องสาวคนเล็กของคณะผู้สูญหายพลัดพรากไป นับเป็นเวลาสองวันเข้าไปแล้วขอบใจมากนะเจ้าด้วนที่ปลุกเจ้าคงรู้ดีอยู่แล้วสินะว่านายหญิงของเจ้าเน่ยอยู่ที่ไหนเชิดาเดินตรงเข้าไปลูบที่งวงของมันบัดนี้เขามีความสนิทกับมันไม่ผิดอะไรกับน้องสาวช้างป่าคู่บารมีของดารินเอาปลายงวงใช้ดมไปตามใบหน้าและทรวงอกของคุณชายใหญ่ พร้อมกระส่งเสียงร้องออกมาอีกเหมือนจะเร่งเตือนชา ย, ยันก็หัวร้องฮื อ, อร้องบอกมาว่าโอ้ยเป็นเดี๋ยวสิ๋วด่วนขอให้พวกเรากินเอาแรงก่อนพวกเราก็เป็นห่วงนายหญิงของเองไม่น้อยมากกว่าเองหรอกเฮ้าขอเวลาห้าหกนาทีเท่านั้นแหละแลวเองก็พาไปก็ดีแล้วอนุชานั้นพิจารณาดวลการของเจ้าพลายหางด่วน ที่พวกเขาช่วยกู้ชีวิตมันขึ้นมาจากหลุมโคลนเงียบๆในขณะที่ใช้ซ่อมจิ้มเนื้อกระป๋องยัดใส่ปากพอให้หนักๆท้องทุกคนกินอาหารกันอย่างเร่งรีบและจัดเตรียมของเพื่อการออกเดินทางอย่างรวดเร็วทั้งๆที่อากาศในป่ายัางมืดมิดแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าอีกไม่นานแสงแดดของตะวันก็จะเยืนเข้ามาแล้วลูกหาบที่ร่วมตายมาด้วยกันสิบคนห้าคู่ ไม่มีใครแสดงความเฉยชาเกียจคร้านทุกคนล้วนอยู่ในสภาพที่ร้อนใจทั้งสิน้นภายหลังเมื่อตื่นกันขึ้นมาแล้วระหว่างที่ทุกคนกำลังจัดเตรียมตัวกันชุนลมุนอยู่นั้นเจ้าด้วนก็เดินวนอยู่รอบรอบคณะทั้งส5้าคนสแสดงอาการกระสับกระส่ายอยากจะเคลื่อนที่เต็มทีมันทำท่าจะออกเดินไปได้เจแล้วก็หยุดบายหัวกลับมาอีกเหมือนจะรอ แต่ก็มีอาการร้องเร่งอยู่ตลอดเวลากลางพี่มีน่าจะถามโงโงโง อ, อกมาอีกเลยนะแต่ก็อดที่จะถามไม่ได้ในฐานะที่เธอกับลุงอินชำนานกว่าพวกเราทุกคนให้ความหวังได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะติดตามน้อยในวันนี้อดีตพันชดรีตาลงขณะที่มองจับไปยังเจ้าด่วนพี่ใหญ่ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฝาก ความหวังเอาไว้ที่เจ้าด้วนตัวเดียวแล้วครับถ้าทางมันร้อนรนเหลือเกินมันอยากให้เราออกเดินทางให้เร็วที่สุดมันจะเป็นผู้นำทางที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าผมด้วยลุงอินเส่อีกครับเออแล้วแน่ใจเหรอว่ามันจะนำเราไปพบน้อยได้อะใชยันย้ำถามมาอีกคนแน่ใจอย่างที่สุดเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละท่าทีของมนบงชัดอยู่แล้ว มันรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่มันพูดกับเราไม่ได้เท่านั้นแหละแล้วเราจะเริ่มมันยังไงเนี่ยกลางเชิาถามอีกเพื่อความมั่นใจจะเดินตามมันแหะครับพี่ใหญ่มันพาเราไปไหนเราก็ไปนั่นแหละแล้วเราจะเดินตามทันได้ยังไงมันก็ต้องเดินเร็วกว่าเราแน่ๆแล้วไอ้ด้วนนี่มันก็มีสติปัญญาล่วงรู้จนถึงกับว่าจะต้องเดินไปในระยะที่เราพอเดินตามทันเหรอ เดี๋ยวมันก็จำอาวอ้าวหายลับตาไปเท่านั้นนีกลายเป็นว่าพวกเราต้องแล่นตามไปเลอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นรอกในใยนั้นอินบอกมาเสียงต่ำๆขยับผ้าเข้ามาเขียนเอวแน่นกระชับไอ้นี่นะมันรู้เกินช้างปาทั่วๆวไปมากนะักแค่มันพูดไม่ได้เท่านั้นแหละถ้าเราเดินไม่ทันมันก็ต้องหยุดรอหรือไม่ก็จะต้องหนกลับไม่เราเห็นนี่ะ หรือถ้ามันตะลุยล่วงหน้าลิีวไว้ก่อนก็แปลว่ามันต้องการจะเข้าไปถึงตัวนายหญิงก่อนเพราะเกิดอันตรายที่มันจะต้องรีบไปช่วยนายหญิงก่อนไม่ต้องกลัวหลงพลัดกันหรอกไงไงนานอินก็สาวรอยมันได้ตอนกลางคืนมันยังรู้เลยว่าเราออกตามไม่ได้มันก็ปล่อยพวกเรานอนพอใกล้ร่งมันยังเข้ามาปลุกแบบนี้ก็แปลว่ามันรู้เกินช้างเกินสัตว์ นายใหญ่ตรวจดูหนาคาบาที่ดีอีกครั้งยังอยู่หรือเปล่านั่ น, นละ่ะสําคัญมากสําคัญกว่าลูกปืนของเราซะอีกนะประโยคหลังครูพรานเตือนมาเช็ฐาตรวจสอบอีกครั้งแล้วพยักหน้าไว้ใจได้ยังอยู่เรียบร้อยดีไม่ไปไหนหรอกว่าแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเราจะใช้มันได้ยังไงแล้วก็ใช้ตอนไหนเอาไว้ถึงเวลาสัก่อนเถอะ แล้วนายยีนานอินจะบอกนายเองว่าจะใช่ยังไงแต่ยังไม่ถึงเวลามันก็แค่เป็นซากงูเห่าสองตัวตื่นกินหางกันเป็นวงกลมเท่านั้นแต่ถ้าถึงเวลาแล้วนายจะเห็นกระตาว่าฤทธิ์เดชของบ่วงงูที่นาคเทวีให้นายกับพวกเรามาโดยเฉพาะนะจะเป็นยังไงมั่งต่อให้อีกร้อยของไอ้ผีดิบมันไรก็ไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิด หรือทำริษอะไรกับใครได้อีกแล้วเฮ้ยไอ้ตาพวกเองพร้อมอยังนั้นอินตะโกนถามไปทางหัวหน้าลูกหาบที่กําลังจัดของกันอย่างเร่งด่วนพร้อมแล้วลุงถ้างั้นก็เตรียมตัวเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้แหละเก็บของทุกชิ้นให้หมดเราจะไม่หวนกลับมาที่นี่อีกแล้วออกเดินทางต่อเลย การตัดสินใจทั้งหมดฝ่ายของเชิดถามอบหน้าที่เด็ดขาดให้แกนานอินกับอนุชาอยู่แล้วและทั้งสองก็มีการหารือกันก่อนแล้วเบาๆตามลำพันทันทีที่ตื่นขึ้นมาล้างหน้าทานอาหารเดี๋ยวนี้เลยเหรอมันยังมืด อ, อยู่มากนะหมอกก็ลงด้วยเชิดถาขอความเห็นไม่เป็นไรครับพี่ใหญ่รีบ อ, อกเดินทางเดี๋ยวนี้แหละไปเดี๋ยวก็สว่างเอง ไม่ต้องกลัวเรื่องทิศทางหรืออันตรายในความมืดไงๆเราก็มีเจ้าด้วนในตัวนาอยู่แล้วมีอะไรขึ้นมันก็จะเตือนเราเองขอยพวกเราเดินตามหลังมันไปเท่านั้นไปครับช้าไม่ได้แล้วเดินทางกันเลยแม้ความมืดและความหนาวเย็นยังปกคลุมไปทั้งราวป่าฝ่ายของเชืฐทาทั้งหมดก็เอิอกเดินทางทันทีโดยมีเจ้าพลายหางด้วนเดินนาไป ในลักษณะหันรีหันขวางเหมือนจะอยู่ในอาการห่วงหน้าพวงหลังนันอินและอนุชาเป็นคู่แรกที่ตามหลังไปโดยเว้นระยะห่างพอควรแต่ด้วยฝีเท้าที่ออกจ้ำเต็มที่พระช้างเดินช้าก็ยังเร็วกว่าคนที่เดินเร็วมากนักเชฐาชยยันเคียงคู่กันโดยมีขยินคอยเดินอยู่ใกล้ๆถัดไปจึงเป็นพวกลูกหาภายใต้การควบคุมของนายตาบ ทุกคนหวังไว้ว่าอีกไม่นานก็จะเห็นแสงตะวันรุ่งในช่วงระยะเดินทางขั้นแรกนี่แหละเพราะเวลาในขณะนี้มันก็ใกล้พระอาทิตย์ขึ้นเต็มทีแล้วหากไม่ติดกิ่งไม้ใบหนาทึบที่บดบังอยู่และถ้าหากทางด้านตะวันออกไม่มีขุนเขาใหญ่บังตะวันไว้ถ้าพระไม่หลุดจากคอน้อยระหว่างถูกน้ำพัด ฉันเชื่อว่าเขาจะต้องไม่เป็นอะไรอย่างเด็ดขาดพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยพึมพำออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองขณะสาวเท้าสวบสวบคู่ไปกระชยันป่ารอบด้านนอกจากความมืดแล้วก็ยังปกคลุมทึบไปด้วยละอองหมอกหน้าเกรงอันตรายยิ่งกว่าการเคลื่อนที่แต่ความมั่นใจทั้งหลายเราฝากไว้กับเจ้าด้วนอันเป็นสัตว์ป่าอยู่แล้วในกรณีที่ว่า โดยสัญชาตญาณป่ามันจะต้องเลือกเดินนำไปในเส้นทางที่ปลอดภัยแน่นอนรอบด้านตกอยู่ในความเงียบวังเวงคงได้ยินแต่เสียงฝีเท้าของทั้งกลุ่มสิบห้าคนเดินเหยียบพื้นกันไปอย่างพยายามให้เกิดเสียงน้อยที่สุดสลับไปกระเสียงขานขันมาแต่กลายของไก่ป่าอันบ่งความหมายว่าสภาพภัยอยู่ในลักษณะปกติของมัน ไม่มีข่าวของวิกฤตใดๆที่จะแทรกแซงเข้ามาในยามนี้นานๆครั้งก็จะได้ยินเสียงหนานอินตะโกนร้องสั่งการอะไรกับเจ้าด่วนหรือมิฉนั้นก็สั่งให้มันหยุดร อ, อยามเมื่อมันเร่งรีบพละห่างเกินไปนักแล้วก็มีเสียงแผลนตอบมาบ้างบางขณะของช้างนำทางเสียงมันหักกิ่งไม้และเสียงที่บุกพงตัดทางซึ่งแน่ละ มันคงจะใช้วิธีลัดเส้นทางเพื่อทำเวลาให้มากที่สุดไม่ได้อาศัยเดินไปตามทางด่านซึ่งนั่นก็แปลได้ชัดว่ามันรู้ตำแหน่งที่หมายของมันดีอยู่แล้วหาใช่การเดินนำงมไปอย่างเป๊ะปากไม่วันกับคืนเต็มๆนะที่น้อยพลัดจากเราไปอะ่ะชัยันเอ่ยขึ้นอย่างสุดกังวลทำลายความเงียบ จากสภาพที่เดินรุดกันไปเหมือนคนบ้าถึงแม้น้อยอาจจะไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ก็นึกไม่ออกนะว่าเขาจะหาทางยังชีพได้ยังไงจากการหลงพลัดไปคนเดียวไม่มีอุปกรณ์อะไรติดตัวไปเลยแม้แต่เครื่องหลังเกือบจะเรียกได้ว่าตัวเปล่ามือเปล่าและจะหาอะไรกินที่ไหนจะหาที่พักนอนให้ปลอดภัยได้ยังไงเนี่ย เรื่องนั้นเนะ่ฉันไม่ห่วงอะไรนักหรอกขอเพียงอยากให้เขาได้รับอันตรายบาดเจ็บจากการที่ถูกกระแสน้าพัดแทงไปอย่างแรงเท่านั้นแหละน้อยน่ะก็ชํำนาญในการดำรงชีพในป่ามาดีพอสมควรแล้วจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาก่อนมันเป็นคราวเคราะห์ของเขาจริงๆพวกเรามีอยู่ทั้งหมดตั้งหลายคนกลับกลายเป็นว่ามีเขาอยู่คนเดียวที่พลัดหลุดจากใต้ชะ ง, งนกบาบังปลิวหายไปกระายน้า เมื่อเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเราทุกคนโดยไม่อาจจะช่วยไว้ได้ทันเทถาตอบมาด้วยเสียงแผ่วครึ้งในสภาพเดียวกันการสะกดตามหลังเจ้าด้วนไปตลอดเวลานั้นทางด้านหน้าคืออนุชาและนานอินใช้ไฟฉายเป็นครั้งคราวเพื่อสำรวจดูภูมิประเทศใกล้ชิดรอบๆทางผ่านแล้วก็ดับมืดลงตามเดิมหรือบางทีก็ฉายย้อนหลัง เป็นสัญญาณบอกทิศทางให้เชษฐากระชยันตามมาได้อย่างถูกต้องอากาศในหุบถามกลางพื้นแผ่นดินที่ชุมช่มแฉะแม้จะเย็นเยียบซักเพียงใดก็ตามโดยการออกแรงเดินกันอย่างเร่งด่วนเช่นขณะ น, นี้เริ่มทำให้ร่างกายสร้างพลังงานความร้อนขึ้นมาช่วยให้เกิดความอบอุ่นขึ้นสำหรับทางด้านพวกลูกหาบที่มีภาระแบกของเดินอยู่ด้านหลังนั้นขยิงกันนายตาบหัวหน้าลูกหา ใช้ใต้สองทางโดยจุดขึ้นสองอันเพื่อพวกนั้นสังเกตเห็นพื้นกันไม่ให้เหยียบหินพลาดลื่นลมเส้นทางแม้จะมองไม่เห็นโดยถนัดนักความรู้สึกของทุกคนก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นระยะที่ค่อยๆเทลาดลงไปตามลำดับเป็นการเดินลงเขาเลียบรลมฝั่งลำธารที่มาจากน้าตกอันตรายอื่นใดยังไม่มีวี่แวว นอกจากความลื่นของสถานที่ซึ่งถ้าไม่ระวังให้ดีอาจจะเสียหลักถลํมศีสะพุ่งไปข้างหน้าเมื่อถึงตำแหน่งที่มันลื่นจับมีเสียงของอดีตพรานชดหรือคุณชยัยอนุชาร้องตะโกนเตือนมาให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นการร้องบอกมาในความมืดอันมองไม่เห็นตัวแน่ชัดว่าอยู่ตรงไหนรู้แต่เพียงว่าอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างไกลนะัก ทำไมเราไม่เดินไปทันกลางแล้วก็ไปพร้อมๆกันล่ะเนี่ยชายันตั้งคําถามขึ้นเราตั้งขบวนเว้นช่วงระยะการเดินอย่างนี้แหละมันถูกต้องดีที่สุดแล้วปล่อยให้กลางกะลุงอินน่ะเขานําหน้าสำรวจไปก่อนเพราะสองคนน่ะคล่องตัวกว่าเรามากเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้เตือนมาที่เราได้ทันการเอาไว้สว่างมองเห็นอะไรอไรได้ถ น, นัดซะก่อนค่อยเดินไปด้วยกัน ประมาณยี่สิบกว่านาทีต่อมานับแต่แรกเคลื่อนที่ขณะนั้นใกล้หกนาฬิกาเข้ามาจวนเจียนแต่สภาพของป่าก็ยังคงมืดและคลุมไปด้วยหมอกอยู่เช่นนั้นฝ่ายที่เดินสาวรอยมาเบื้องหลังสังเกตเห็นไฟฉายสว่างวูบวูบขึ้นสามครั้งแล้วเงาะตะคุ่มของอนุชาก็หยุดยืนอยู่กะที่โดยไม่เคลื่อนไหวมีเปลวไลเตอร์สว่างแวบ พร้อมปลายบุรีแดงวาบในความมืดเมื่อเชิฐานและชัยยันกับขบวนตามหลังเดินมาถึงก็เห็นอดีตพรานชุดยืนสู่บุรีรออยู่ตรงตำแหน่งโขดหินใหญ่ริมทาน้ำที่ไหลอยู่รินรินไม่มีวี่แววของหนานอินหรือเจ้าดวนซึ่งคงจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วก่อนที่ใครจะเอ่ยปากตั้งคำถามขึ้นอนุชาวาราริ์ อดีตนักเดินป่าผู้ยิ่งยงก็บอกเรียบเรียบขึ้นมาว่าไอ้ด่วนกระลุงอินข้ามทานย้อนกลับไปฝั่งโน้นเลยละครับลุงอินขึ้นนั่งบนคอมันไปมันนำตัดตรงบริเวณนี้ซึ่งน้ำตอนกลางค่อนข้างลึกระดับเกือบถึงท้องมันถ้าเราขืนตัดทางตามมันก็คงแทบท่วมหัวน้ำในทานนี้ก็เย็นราวกับ น, น้าแช่น้าแข็ง ผมว่ากาลังรอพวกเราให้มาถึงพร้อมกันก่อนแต่ว่าจะหาทางที่น้ำมันตื้นกว่า น, นี้หรือบริเวณที่มีโขดหินงอกโผล่จากน้ำเป็นระยะระยะพออาศัยเป็นสะพานข้ามไปได้โดยไม่ต้องลุยลงไปให้มันเปียกอืมรอบคอบดีมากพวกเราทุกคนไม่อยู่ในฐานะที่จะลุยน้ำข้ามทานไปได้หรอกก็ต้องหาวิธีอย่างที่เธอว่านั่นแหละพี่ชายใหญ่เห็นด้วย อตอนนี้ก็ตามผมมาครับอนุชาบอกแล้วเริ่มเคลื่อนที่เลาะเรียบริมฝั่งทานต่อไปพร้อมกับใช้ไฟฉายในมือสองกราดค้นหาบริเวณที่จะข้ามฟากไปได้โดยไม่ต้องลูนน้ำหรือจะลุยบ้างก็ไม่ควรจะลึกเกินหัวเขา่าทุกคนตามเข้าไปพร้อมทั้งช่วยกันส่องไฟตรวจบริเวณขณะนั้นเสียงกูตะโกนเป็นสัญญาณดังมาจากนั้นอินบอกให้ทราบว่า แกกับเจ้าด้วนข้ามทานไปอยู่บนฝั่งตรงข้ามได้เรียบร้อยแล้วรอก่อนลุงอินอย่าเพิ่งเดินไปไหนพยายามรั้งไอ้ด้วนรอไว้ก่อนพรานชดป้องปากร้องบอกไปมีเสียงรับคำมาพร้อมกับเสียงกิ่งไม้ฝั่งโนนหักพัวผะลู่ระเนนนั่นคงเป็นเพราะลำตัวของเจ้าด้วนที่บุกเสียดสีขึ้นไป มีเสียงร้องตอบรับคำมาจากครูพรานแล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายด่าขมงโฉงเฉงพระเจ้าด้วนนำลุยไปตามกิ่งคาคบไม้ในระดับสันหลังของมันทำให้กิ่งไม้ครูตามหน้าตาของแกเกือบจะทาให้พลัดตกลงมาจากคอทุกคนทางด้านนี้ได้ยินเขาก็หัวเราะกันเบาๆด้วยความขบขันเป็นครั้งแรกในการที่แกเอตโรด่าเจ้าด้วนไม่มีใครต้องเป็นห่วงใด นั้นอินเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตัวแกเองก็พรานช้างเก่ามากรนคนหนึง่งอย่างน้อยแกก็ต้องบังคับมันได้อยู่หรือมิฉะนั้นก็ส่งภาษากันได้รู้เรื่องโดยเฉพาะช้างแสนรู้ตัวนั้นลุไปด่ามันมากๆระวังมันจะสลัดตกจากหลังแล้วปีนคลึงซะนะลุงนะชยันต์ป้องปากตะโกนบอกไป เพื่อทำสภาพอันเคร่งเครียดของคณะให้คลื่นเคร่งขึ้นมาบ้างไม่ต้องกลัวโรคนายทหารนันอินถ้าได้ขึ้นมาอยู่บนคอช้างแบบนี้แล้วต่อให้มันเป็นช้างป่าดุร้ายเกเรสักขนาดไหนก็เอามันอยู่ถ้าไม่กลัวพวกเจ้านายจะหาว่านานยินเอาเปรียบ นั้นอินไม่ลองเดินให้เมื่อยหรอกจะขี่คอมันไปฮะเอาเปรยียบกันยังงั้นไม่ได้นะลุงแตยังไงแล้วก็ให้ฉันก็นายใหญ่ขึ้นไปอยู่บนหลังขี่มันโดยไม่ต้องเดินส่วนลุงกับพรานชดใ้พวกนี้เดินตามไปดีกว่า เสียงครูพรานหัวเราะลั่นมาเจ้านายนอกจากนั้นอินกับนายหญิงแล้วไม่มีใครขึ้นมาอยู่บนหลังไอ้ด้วนได้นานหรอกไอ้นี่นะมันร้ายชอบเดินลอดกิ่งไม้เตี๊ยตีเสมอหลังของมันใครรู้ไม่ทันขืนขึ้นมาอยู่บนหลังมัน ก็ถูกกิ่งไม้กว่าตกล้ไม่คอหักตายเท่านั้นแหละตะกี้น้านินก็เกือบพลัดไปทีนึงแล้วอีกไม่กี่นาทีต่อมาระหว่างที่เดินฉายไฟส่องตรวจหาบริเวณที่จะข้ามฝากโดยไม่ต้องลุยน้ำลงไปลึกๆอนุชาก็ค้นพบบริเวณที่ทางน้ำไหลมีระยะบีบแคบส่วนหนึ่งต่ำกว่าระดับที่ยืนรอคอย ตำแหน่งนั้นมีโขดหินที่โผล่พ้นผิวน้ำงอกเต็มไปหมดมีระยะระหว่างก้อนต่อก้อนห่างกันมากที่สุดไม่เกินหนึ่งว่าแต่สลับทะแยงคดเคี้ยวเล็กน้อยมีพื้นกรวดที่อยู่ริมตะลิ่งค่อนข้างชันแต่ก็อยู่เหนือเส้นทางน้ำไหลเป็นแนวชายฝั่งห่างออกไปอีก 3-4 เมตรก็จะสามารถไต่รากไม้ขึ้นฝั่งตรงข้ามได้ คงไม่มีที่ไหนจะสะดวกไปกว่าตรงนี้อีกแล้วละครับเราจะข้ามกันตรงนี้แหละโดยอาศัยเหยียบไปตามโขดหินแต่พวกลูกหาบที่หาบของอยู่นี่ต้องระวังให้มากล ะ, ะตกลงเชษดถาพยักหน้าเห็นด้วยเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็ใช้ยันข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วยฉายไฟไว้ด้วยผมจะคอยคุมพวกลูกหาบให้ข้ามตามไปโดยยืนคุมอยู่ฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะตามไปเป็นคนหลังสุดครับ พรานชดว่าแล้วหันไปร้องสั่งความการขยินและนายตาบับชั่วอึดใจใหญ่คณะทั้งหมดก็สามารถข้ามฝั่งทานมายังฝั่งด้านตรงข้ามได้หมดอย่างทุลักทุเลเล็กน้อยโดยเฉพาะพวกลูกหาบที่ทำหน้าที่แบกของอันเป็นภาระหนักอยู่เกือบจะเสียหลักพลัดตกลงไปในกระแสน้ำอันแสนเย็นแต่ขยินและอนุชาก็คอยเป็นพี่เลี้ยง ช่วยประครับประคองพยุงให้พวกนั้นนําสัมภาระและตัวเองข้ามไปจนได้ครบมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าด้วนและครูพรานโผล่เป็นเงาทมึนออกมาจากโขดหินริมฝั่งธานเดินมาหยุดหยุดตรงหน้าขบวนของทุกคนเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งพอเข้ามาถึงนันอินก็ออกเสียงบังคับให้เจ้าด้วนคูเข่าหน้าลงยแกษก็ไต่ลงมาจากคอของมัน ขณะนั้นความดำสนิทของราวป่าที่เป็นชากำบังอยู่เริ่มจะปรากฏแสงสลัวรางขึ้นบ้างแนละ้วพอจะมองเห็นร่างกายของแต่ละคนร่างๆในระยะที่ยืนรวมหมู่กันอยู่สังเกตได้ว่าใครเป็นใครเอาละ่ะตะวันเริ่มขึ้นแนละ้วต่อไปจะสะดวกขึ้นอีกมากในการเดินทางของเราหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างยินดี แล้วตัวเขาเองก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าช้างป่าแสนรู้อีกครั้งเอ่ยขึ้นยังอ่อนโยนกับมันว่านำทางต่อไปนะเจ้าด้วนเจ้าตัวเดียวเท่านั้นแหละที่รู้ดีว่าขณะ น, นี้นายหญิงอยู่ที่ไหนเจ้าด้วนแข่งงวงถอยหลังเล็กน้อยแล้วเบนตัวออกเดินเข้าพงรกชัดทุกคนก็เคลื่อนตามช้ยันร้องตามหลังมันไปว่า นำไปพบนายหญิงนะโว้ยคุณด้วนไม่ใช่นำไปป่าช้าช้างหรือแรงขุมมหาสมบัติที่ไหนสั่งกันซะก่อนนะโว้ยเจ้าด้วนไม่ได้ตอบคำของชายยันเพราะมันพูดไม่ได้แต่ใช้เท้าเคีย้ยวก้อนกรวดขนาดย่อมๆเท่ากําปั้นลูกนึงระเด็นหวือมาทางเบื้องหลังซึ่งมีชายยันอยู่ใกล้ส่วนหลังของมันที่สุดเฉียดหัวเขาไปนิดเดียว กระทบกระหี่พอสัมภาระที่พวกลูกหากําลังหาผามกันอยู่เสียงดังปึ๊กชายันร้องวะดาลั่นปาก้มลงคว้าก้อนหินขึ้นมาได้ก้อนนึงคว่างไปเป็นการแก้แค้นที่บั้นท้ายของมันเต็มเหนียวกระทบขาหลังเจ้าด้วนดังปุ๊กแต่มันไม่ได้ระคายผิวสะดุ้งสะเทือนอะไรเลยไอ้เวนไอ้เอปรทั้งด้วนสันดานอันธพานไม่หาย เองกาเจ้าหินแข็นกระ บ, บานข้าช่วเหรอไอ้นี่รู้งี้พ่อไม่ช่วยเองขึ้นมาจากลมโคลนรู้แล้วรู้รอดไว้ติดแงกไตห่าอยู่ในปลากเลนน่ะก็ดีย่ทุกคนพากันหัวเราะได้อีกครั้งแม้กระทั่งพวกลูกหาดเชษดถาตบต้นขอสหายเขาเบาๆพูดยิ้มๆว่านี่นี่นี่ไม่มีใครจะชวนทะเลาะแล้วเลยชัยยันถึงไปหาเรื่องทะเลาะกับอิด่วน เดี๋ยวมันหมันใสแกขึ้นมาแปลงเดินอ้าวไปโดยไม่รอเราก็ต้องวิ่งตามกระตาไปานั่นแหละไปเห็นหมโมตส์ไราสาระไม่เป็นภาษาอยู่เลยป่านนี้น้อยจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้ <c oughs> ชัยันเองก็หัวรอโ <c oughs> คลงหัวดิกนึกไม่ถึงว่าไอ้ด้วนมันจะมีทีเด็ดถึงขนาดนี้ <c oughs> นอกจากจกเกเรแสนรู้ไปสารพัดอย่างแล้วมันยังมีนิสัยทะลึ่งขี่เล่น บางทีอาจจะเหมือนเขาก็ได้ละมังร่างใหญ่โตปานภูเขาย่อมย่อมนั้นแหวกพงรกลู่เป็นทางประดุดเรือนำร่องล่วงหน้าไปก่อนช่วยให้ฝ่ายมนุษย์ที่เดินตามหลังผ่านหนทางที่มันเปิดเอาไว้เข้าไปได้โดยสะดวกลักษณะของมันบ่งชัดว่ามีเป้าหมายที่แน่นอนในการไปเพียงแต่บางขนาด อาจจะหยุดหันรีหันขวางเพื่อจะคิดหาหนทางเดินบ้างเท่านั้นในกรณีที่มาประจันกระป่าเถาวันอันเกาะเกี่ยวพันกันหนาแน่นเกินไปสุดกำลังที่มันจะนำร่างกายอันใหญ่โตผ่านเข้าไปได้ซึ่งมันจะเลือกหนทางที่ไปได้ง่ายกว่าและจากการตรวจสังเกตของอนุชากันนานอินบุคคลทั้งสองบอกกับคณะทั้งหมดได้ในทันทีว่าอาการเดินนาของไอ้ด่วน ไม่ได้เป็นการนําอย่างส่งเดชแน่นอนมีอยู่หลายครั้งที่มันหยุดและชูงวงร่อนขึ้นสูงสายไปมาเหมือนจะสูดหากลิ่นไออะไรบางอย่างไม่ผิดหวังหรอกครับอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องได้ร่องรอยอะไรของน้อยเพิ่มขึ้น แ, แน่ๆในวันนี้ผมรู้สึกจากอาการของมันว่ามีเจตนาที่แน่วแน่ไม่แพ้พวกเราเลยในการค้นหาตัวน้อย พี่ก็รู้สึกอย่างนั้นแหละมันน่ารักเหลือเกินเน่ะเจ้านีเสียดายที่เมื่อวานนี้มันไปถูกขลงช่างของมันไรเชื่อกันผลักลงไปติดหลุมโคลนหวังค่ายตายซะก่อนนี่ถ้ามันไม่ติดหลมุมพี่คิดว่ามันคงตามพบน้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วละ่ะเครดิากระสิบความเชื่อมั่นเริ่มทวีขึ้นตามลำดับอะไรก็ช่างเถอะ อย่าพานำพวกเราเข้าไปในดงหนามพุงดอรัรงตังช้างกันแล้วกันเพื่อนผู้ร่วมตายของพี่น้องราชสกุลบาราริปอดไม่ได้ที่จะบ่นออกมาเบาๆเฮ่มันไม่งงเหมือนแกหรอกชยันไอ้ไม้ที่เป็นอันตรายต่อคนก็เป็นอันตรายกับมันเหมือนกันเรื่องอะไรที่มันจะฝ่าเข้าไปให้ฉลาดน้อยพรานชุดพูดออกมาเบาๆอย่างราคาญใจชยันยักไหล่นิดนึง แล้วหุบปากลงได้แสงสว่างเริ่มเพิ่มขึ้นทุกขณะเมื่อเวลาผ่านไปและในที่สุดก็สามารถจะมองเห็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งอารุโนไทเด่นชัดจากลำแสงของรวีที่ส่องลอดกิ่งไม้หนาทึบเหนือสีสัะขึ้นไปเสียงนกยูงและชนีร้องแววแววมาจากยอดไม้แห่งใดแห่งหนึง่งบางขณะก็ได้ยินเสียงกระพือปีกตัดอากาศอยู่ว่า ว่าของฝูงนกเงือกที่บินอยู่เหนือยอดป่าผ่านสีสษะไปเส้นทางไหลบ่าผ่านมาในระดับสูงของกระแสน้ำที่ทำนบแตกเมื่อคืนวานยังสังเกตเห็นได้ตามแนวส่วนสูงของลำต้นไม้ใหญ่ๆอันมีเศษวัชพืชเศษดินปลิวตามน้ำที่ไหลท่วมขึ้นไปติดค้างอยู่ขยิ่งชี้ให้เชฐาและชยันดู ส่วนอนุชาและนันอินสุบซิบหาหรือกันไปตลอดเวลาพร้อมกับตรวจสังเกตทุกระยะโชคดีอย่างมากที่ทั้งคณะมีเจ้าด้วนเป็นมักคุเทศนำทางจึงไม่จำเป็นจะต้องตรวจค้นร่องรอยของดารินวาราริทด้วยตนเองสิ่งที่จะทำก็เพียงแต่สะกดหลังตามมันไปเท่านั้นในภาวะสิ่งแวดล้อมเช่นนี้หากไม่มีเจ้าด้วนชะตัวเดียว ต่อให้นานอินก็คงจะงงเป็นไก่ตาแตกเนื่องจากอาณาบริเวณของกระแสน้ำที่ไหลบาท่วมมันกินแดนกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินพอขึ้นชั่วโมงที่สามของการเดินยังไม่มีการหยุดพักเลยจากความหนาวเย็นกลายมาเป็นความร้อนระอุอ้าวเหงื่อเริ่มจะผุดซึมไปหมดทุกคน เส้นทางเดินยังอยู่ในเขตป่าดึกดำบรรที่ขึ้นหนาทึบไปด้วยไม้ใหญ่แทบจะมองไม่เห็นทองฟ้าโดยมีเจ้าด้วนเดินนำดุมดุมอยู่เบื้องหน้าบางขณะมันก็รับหายไปเพราะมันเดินได้รวดเร็วกว่าฝ่ายมนุษย์บางขณะก็ปรากฏให้หินบั้นท้ายแล้วความฉลาดเยี่ยมของมันก็คือหากยามใดมันรับหายไปจากสายตาก็จะใช้วิธีหักกิ่งไม้ไว้ให้เป็นสัญญาณ ให้เห็นได้ราวกับเป็นพรานนําทางชั้นดีทั้งๆ ท, ที่ส่วนมากแล้วก็จะปรากฏรอยเท้าตามธรรมชาติของมันเดินให้เห็นแกะรอยง่ายอยู่แล้วแต่ก็ยิ่งดีหนักขึ้นไปอีกบ้องกันไม่ให้ช้างป่าอื่นๆเข้ามาสวมรอยได้เพราะในอาณาจักรไพรอันตรายนี้ไม่ได้มีมันซึ่งเป็นช้างอยู่เพียงตัวเดียวมันจึงทําสัญญาณไว้ด้วยการหักทึงกิ่งไม้ที่ผ่าน ชั่วโมงที่สี่ป่าเริ่มจะโปร่งขึ้นเล็กน้อยแล้วเสียงไอ้ด้วนฟาดงวงอยู่ตูมตามกับพงไม้ข้างหน้าแล้วส่งเสียงร้องยาวก้องทุกคนที่เดินตามมันไปโดยไม่เห็นตัวเพราะมีเนินปลวกกันแนวพงไม้เล็กๆขึ้นบังทึบไปหมดสลับไรเฟื่ลุงจากลายเตรียมพร้อมเงียวมีอะไรผิดปกติขึ้นแล้วล่ะครับพี่ใหญ่ อนุชาบอกมาเสียงแผ่วต่ำพยายามคลาหาที่มาของเสียงและคาดคะเนให้ได้ว่ามันควรจะอยู่ตำแหน่งใดด้านหน้าในขณะนี้เงียบไปอีกอึดใจเสียงของมันก็แผ่นยาวขึ้นอีกมันกลองเรียกวกเรานายยู่ทางด้านซ้ายมือหลังเนินปลวกลูกโน้นแน่ๆ น, นันอินบอกมาเร็วปือ แล้วออกสาวเท้านำไปทันทีอย่างรวดเร็วอนุชาติดหลังไปอย่างกระชันชิดเชษาชายันถือปืนในท่าพร้อมจะประทับขึ้นไหลนำพวกลูกหาเว้นระยะพอสมควรติดตามเข้าไปโดยไม่ชักช้าอึดใจเดียวก็มีเสียงนั้นอินซึ่งวิ่งคู่กันไปกับพรานชดตะโกนลั่นบอกมาว่าเสื้อน้ายเสื้อใหญ่นอนตายอยู่ตรงนี้ เมื่อทุกคนอันตามหลังหาการเล่นเข้ามาถึงพบเจ้าด้วน ย, ยืนสายไปมาอยู่โคนไม้ใหญ่ขนาดหลายคนอกต้นหนึ่งส่งเสียงร้องกึกก้องโกนจนาดอยู่เช่นนั้นซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วเสียงพูดกันโบงเบง้งฟังไม่ได้สับของหนานอินกับพรานชดที่เข้าไปมุงอยู่กับอะไรชนิดหนึ่งซึ่งกองยาวเหยียดอยู่กับพื้นเทถาชยัน์ ขยิงและลูกหาบทุกคนเบิกตาโพลงเมื่อมองเห็นได้ทันัดว่ามันคือเสือใหญ่ขนาดแปดศอกเท่าเๆกระเสือเบงกอลนอนตายอยู่ห่างจากโคนไม้ใหญ่นั้นประมาณห้าหกว่าพงวัชพืชบริเวณใกล้เคียงกระซาที่มันนอนอยู่แหลกกระจุยกระจายด้วยแรงดิน้นและเลือดซึ่งบตดนี้เป็นสีคล้ำแล้วกองเรียราชอยู่กับใบไม้แห้งอะไรกันนี่มันเป็นไงมาไง เชิฐาหลุดปากอูทานอนุชากรนันอินที่เข้ามาถึงก่อนและคงได้พิจารณาไว้ก่อนแล้วชี้ไปที่บริเวณศีรษะระหว่างช่องตาของมันนั้นไงรอยกระสุนปืนพกเจาะเข้าตารกระโหลกพอดีครับพี่ใหญ่วิธีกระสุนยิงจากที่สูงเพราะมีทางออกของหัวกระสุนต่ํากว่าคอด้านล่างของมันเล็กน้อยในมุมกดเฉียง25องศาจากด้านบนลงมา ราชาสกุลผู้เป็นพี่ใหญ่ของคณะจ้องตามการชี้บอกนั้นขเหม็งพลางคุกเข่าลงพิจารณาใกล้ๆเม้มริมฝีปากแน่นใบหน้าอันเคยมองคล้ำซีดเซียวบัดนี้เริ่มปรากฏสีเลือดดวงตาเป็นประกายขึ้นส่วนชายยันร้องมาว่าใครยิงไว้เนี่ยน้อยเหรอไม่มีปัญหาล่ะน้อยแน่แน่เราพบร่องรอยของเขาแล้วและมันแสดงว่า น้อยยังมีชีวิตอยู่แน่นอนอนุชาบอกมาเร็วหรือพลังแหนหน้าขึ้นไปสำรวจยังบริเวณส่วนสูงของต้นไม้ใหญ่นั้นซึ่งบริเวณเหนือพื้นขึ้นไปราวสี่ห้าวามีกิ่งเถาวันพันกันเป็นลักษณะซุ้มกระเช้ากึ่งกลางต้นเฉถาใช้มือที่สวมถุงหนังจับที่ขาเสือใหญ่ตัวนั้นตัวมันแข็งไปหมดแล้วแต่ยังไม่อยู่ในลักษณะที่ขึ้นอึด แล้วก็หันไปพิจารณารอยหัวกระสุนที่ทะลุผ่านเข้าสมองอย่างแม่นยำในมุมที่ยิงลงมาจากเบื้องสูงหัวกระสุนไม่ฝังในหากแต่ตัดแวกทางออกใต้ซอกคอบาดแผลไม่ใหญ่นะักทั้งทางเข้าทางออกมันจะต้องเป็นหัวกระสุนจากปืนพกสั้นขนาดจุด 3-5 จตแมกนัมแบบหัวกรวยฝาฉีแน่นอนซึ่งทุกคนรู้ดีว่านั่นเป็นอาวุธประจาตัวชนิดเดียว ที่ดารินมีติดเอวอยู่ระหว่างที่น้ำพัดร่างกายหลอนหายไปนีเสือตัวนี้ถูกปืนตายตรงนี้มันนานสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยท่านหัวหน้าคณะถามขึ้นก็ร า, รา 25, 20, 20, 24, วๆยิบห้ยายี่ิบยี่สิบสี่ยี่ิบห้าชั่วโมงแล้วครับพี่ใหญ่แต่ไม่เกินสามสิบชั่วโมงหรอกมันก็แปลว่าวันเต็มๆ ม, มาแล้วอาจจะเป็นตอนเช้าของเมื่อวานมั้งแล้วเธอสันนิษฐานยังไงกลาง อนุชามองไปที่ซากเสือบริเวณใกล้เคียงแล้วเงยขึ้นไปสำรวจบนคาคบไม้ใหญ่ตรงบริเวณซุ้มเถาวันกลางต้นอีกครั้งปากก็บอกมาช้าๆว่าพี่ใหญ่ครับเมื่อแนวกระสุนยิงลงมาจากที่สูงก็แน่นอนอล้ว่าน้อยจะต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ต้นนี้เห็นไหมครับระดับน้ําไหลผ่านมันอยู่ตรงบริเวณกระเช้าของเถาวันกลางต้นพอดี ผมเข้าใจว่าน้อยคงจะถูกน้ําพัดลอยมาติดจุดตรงกระเช้านั่นส่วนไอเสือตัวนี้ย่องมาตามพื้นแล้วก็มองเห็นเหยือติดคาซุ้มเถาวันอยู่ขณะนั้นน้อยจะต้องรู้ตัวเพราะถ้าไม่รู้ตัวก็คงยิงมันไม่ได้หรอกก็อาจจะกําลังหาทางไต่ลงมาพอดีเห็นเสือตัวนี้นั่งเฝ้าอยู่ก่อนผมเดาไม่ถูกแต่เพียงว่าระหว่างตัวเขากระเสือน่ะใครจะเห็นใครก่อน การยิงนะ่ะเป็นการยิงในขณะที่มันกระโจนขึ้นใส่หรือว่ายิงในระหว่างมันหมอบจ้องคอยทีอยู่แต่ที่แน่ๆก็คือน้อยวางกระสุนเข้ากลางแสกหน้าพอดีและมันก็ตายคาที่อยู่ตรงนี้มันต้องแสดงว่าขนาดนั้นสติสัมปชัญญะของน้อยจะต้องสมบูรณ์และจะต้องไม่ได้รับอันตรายใดๆมากนะักไม่อย่างนั้นจะยิงเสือตัวนี้ไม่ได้มันอาจเป็นไปได้ในข้อที่ว่า น้อยถูกกระแสน้ำพัดลอยลิ้วมาติดสลบอยู่บนซุ้มเถาประเช้าเถาวันนนทนซึ่งมันเป็นตาข่ายรองรับตัวเขาไว้ได้พอดีพอตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาจะหาทางลงก็พอดีกับที่มองมาเห็นเสือเจ้ากรรมตัวนี้พอดีก็เลยจำเป็นต้องยิงใช่แล้วนายชดุดใช่เสียงนั้นอินร้องตึงเต้นมาอีกคนขณะที่ก้มก้มเงยเงยอยู่ยังอีกบริเวณหนึ่งห่างออกไปเล็กน้อย ซึ่งเป็นพื้นดินแฉะชุ่ม น, นี่ไงมีรอยเท้านายหญิงชัดเจนเหลือเกินเดินไปเพียงคนเดียวทั้งด้านนี้ไงอนุชาเผ่นพรวดเข้าไปสีงเจ้าด้วนร้องแปรนยาวขึ้นอีกทําท่าจะออกเดินนำต่อแต่นั้นอินตะวาดไว้สั่งให้มันหยุดรอยอยู่ก่อนเชิฐาชายันขยินและพวกลูกหาบทุกคนปลดหาบลงจากบาชั่วคราว แล่นพลูกันเข้าไปดูลึกชัยโอโหร้องกันอย่างดีใจชัดเลยนายรอยเท้าของนายหญิงแน่นอนเดินไปทางทิศนี้แหละราชสกุลหนุ่มใหญ่พี่อ้ายสุดของคณะหัวใจพองโตสีหน้าสดใสขึ้นทันทีชัยยันก็แทบกระโดดตัวเลยน้อยอูวอยู่ที่ไหน นี่มันรอยรองเท้าของน้อยชัดเจนเหลือเกินก็ไต่ลงมาจากซุ้มเถาวันของต้นไม้นั่นหลังจากยิงเสือตัวนั้นแล้วก็เดินโตเตะไปคนเดียวระยะมันห่างกันเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นที่เรามาพบหลักฐานเนี่ยไอ้หลักฐานการยิงเสือไว้ก็ดีการไต่เถาวันลงมาถึงพื้นก็ดีแล้วก็การเดินออกไปได้ก็ดีนี่มันแสดงว่าน้อยยังมีชีวิตอยู่ร้อยปเซนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายอะไรด้วย น่ดูสังเกตดูจากรอยเท้าที่เดินไปอย่างสม่ำเสมอที่ไม่มีรอยขยเเยกตุกปัดตุเปล้มลุกคลุกคลานเลยทุกคนเต็มไปด้วยความปิติยินดีตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวจากหลักฐานชิ้นใหม่ที่เห็นในเวลาเกือบเที่ยงวันของวันนี้นอกเหนือจากการพบหอสัมภาระที่หลุดไปตามกระแสน้ำพร้อมกับร่างของนอสาวคนเล็กซึ่งพบก่อนแล้วเมื่อวานและจากหลักฐานส่วนประกอบแวดล้อมอื่น ที่ค้นพบในบริเวณนี้มันพิสูจน์ชัดว่าดารินวราฤทธิ์ยังไม่ได้รับอันตรายใดๆมากนักจากอุปัตตวเหตุเกิดโดยอุทกภัยที่ไหลโกรกลงมาจากคุ้นเขาใหญ่เมื่อคืนวนันสึงเชิฐานั่นมือหนึ่งกำต้นแขนของอนุชาอีกข้างหนึ่งกำต้นแขนชยันบีบแน่นกายสั่นเทาด้วยความโสมนัสยิ้มออกมาทั้งน้าตาที่คลอซึมอยู่ในเบ้า คึมพมเสียงแหบพระน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเธอจริงๆถ้ามีชีวิตอยู่เห็นหลักฐานเพียงแค่นี้พี่ก็ดีใจที่สุดแล้วเราต้องพบกันแน่แล้วก็เขาก็หันไปทางหนานอินที่กำลังสาวรอยห่างออกไปราวสิบเมตรร้องถามว่านุงอินรอยเท้านายหญิงเดินไปทางนั้นตลอดเหรอครับนายใหญ่ นายหญิงบายหน้าไปทางนี้แหละคิดว่าห่างกันเพียงแค่วันเดียวคงยังไปมไม่ไกลนะักหรอกเราต้องตามทันแน่ๆร้อยชัดเจนเหลือเกินเรากระชั้นชิดก็ามาแล่ละนี่กลางเธอมีความคิดยังไงต่อไปผมว่าไม่น่าจะเกินค่ำวันนี้แหละครับพี่ใหญ่ที่เราจะต้องพบน้อยมิฉนั้นก็กระชัน้นใต้กันเข้าไปที่สุดอะเพราะ ถ้าคิดเทียบระยะเวลาแล้วขณะที่เรามาพบร่องรอยเขาตรงนี้เนี่ยมันห่างกันแค่ไม่เกินสามสิบชั่วโมงเท่านั้นน้อยจะเดินไปได้ไกลสักแค่ไหนในระยะเวลาเพียงแค่นี้ดีไม่ดีก็อาจจะยังตุรดตุเรอยู่ในละเวกละเวกใกล้เคียงนี่แหละเอาเป็นว่าผมขออนุญาตลองยิงเรียกด้วยเสียงลูกปืนดูได้ไหมครับเอาเลยยิงขึ้นฟ้าสามนัดนะ สิงชัยยันร้องสนับสนุนมาอย่างลิงโลดพรานชดชักปืนสั้นจุดสีสีขึ้นมาจากซองข้างเอวนางนกขึ้นชูลำกล้องขึ้นฟ้าแล้วเหนียวไกตุ้มสนันวันไหวไ ป, ปแล้วลดปืนลงทุกคนเงี่ยหู เสียงปืนดังมากเหลือเกินในพงทึบระหว่างหุบเขาเช่นนี้ต่างหวังไว้ว่าถ้าหมอมราชวงศ์สาวอันเป็นน้องเล็กผู้พลัดพากไปอยู่ในละแวกที่ได้ยินเสียงปืน <c oughs> ก็คงจะต้องยิงปืนตอบรับมาแน่นอนหนึ่งนาทีเต็งเต็งที่ทุกคนแทบไม่ยอมหายใจรอฟังเสียงอยู่ ปรากฏว่าเงียบกริบไม่มีเสียงปืนจากที่ใดตอบมาให้ได้ยินเลยชยันหน้าเสียเล็กน้อยแต่เชษฐายังมีสติมั่นคงดีอยู่เหมือนเดิมร้องปลอบใจทุกคนว่านะไม่เป็นได้น้อยอาจจะอยู่ห่างเกินระยะเสียงปืนก็ได้เพราะป่านะมันเต็มไปด้วยเหลี่ยมเขาบางถ้าเขาอยู่ห่างจากเราเกินกว่าเจ็ดแปดกิโลก็ไม่ได้ยินแล้วเข้าใจว่าพอลงจากต้นไม้ได้ น้อยก็คงจะใบหน้าออกติดตามหาพวกเราเหมือนกันแหละคงไม่เดินงมหลงป่ากระเซาะกระเซิงแบบไร้จุดหมายหรอกเพราะเขาก็มีความสามารถในการเดินป่าอยู่ไม่น้อยเหมือนกันสำคัญที่สุดก็คือเราแน่ใจว่าจะต้องตามเขาทันยิ่งมีเจ้าด้วนคอยนําทางอยู่แบบนี้ก็ยิ่งไม่มีอะไรต้องห่วงเลยสิ่งที่เราน่าจะพอใจที่สุดแล้วก็คือหลักฐานที่แสดงชัดว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้รับอันตรายอะไร ตลอดจนทิ้งร่องรอยให้เราสามารถติดตามได้โดยไม่ต้องงมทรงเดชเหมือนเมื่อวานนี้อีกแล้วเอาถ้างั้นจะช้าอยู่ทำไมเล่าก็ตามซะเดี๋ยวนี้เลยสิชายันกล่าวอย่างร้อนใจพรานชดบกมือเป็นสัญญาณไปที่นานอินซึ่งไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วใกล้ๆกับเจ้าด้วนครูพรานก็ออกคำสั่งกระช้างป่าผู้พักดีตอดารินทันทีไปวยไอ้ด่วน ตามนายหญิงให้พบเอ็ง่าทำได้ดีมากที่สุดแล้วที่พามาเจอรอยนายหญิงที่นี่แม้จะยังไม่พบตัวก็นับว่าน่าจะวิเศษสุดเจ้าด้วนร้องแปรนยาวสนันป่าอีกครั้งสะบัดงวงกวัดแกงชูร่นไปมาทางก็นำพารุทหน้าพรวดรวดไปโดยเร็วจนฝ่ายมนุษย์ตามแทบไม่ทัน เสียงชยันเอาอะขึ้นมาอีกแต่อนุชาตบหลังไว้ด้วยฝ่ามือหนักๆนกนะปล่อยมันล่วงหน้าไปก่อนเถอะชยันถึงไงเราก็ยังแกะรอยเท้ามันแล้วก็รอยเท้าของน้อยได้อยู่แล้วรับรองว่าไม่มีวันพลาดหรอกระหว่างเรากับไอ้ ด, ด้วนบางทีมันคงอยากจะไปให้ถึงตัวน้อยโดยเร็วที่สุดก็ได้และถ้าเจ้าด้วนพบน้อยได้เร็วก่อนเราเท่าไหร่ก็แปลว่าเขาจะยิ่งปลอดภัยเร็วขึ้นเท่านั้นดีไม่ดี เวลามันเดินสวนกลับมาหาเราอาจจะมีน้อยนั่งบนคอพร้อมอยู่แล้วก็ได้คำพูดของอนุชาทำให้ชยยันเห็นด้วยและสงบความวุ่นวายลงได้คณะของเชษฐารุดหน้าต่อไปตามรอยเท้าของดารินที่ปรากฏให้เห็นเป็นระยะระยะอันก่อให้เกิดความหวังอย่างเต็มที่ขณะเดียวกัน ทุกคนก็ยิ่งทวีความกระสับกระส่ายร้อนใจเป็นเงาตามตัวขึ้นมาด้วยเพราะรูปการมันน่าจะต้องตามพบกันในระยะอันไม่นานนี้แหละถ้าหากไม่มีวิกฤตการณ์อื่นใดเข้ามาแทรกสะก่อนป่าเริ่มโปรง่งโล่งขึ้นทุกขณะและเริ่มมองเห็นท้องฟ้าบางส่วนในที่สุดก็ล่วงเข้าถึงบริเวณทุ่งหญ้าสูงสูงต่ํต่ ำ, ตำ ที่แฝงซ่อนอยู่กลางวงล้อมของป่าไม้ใหญ่และลิปลีวกว้างใหญ่รอยเท้าของดารินขาดขาดหายหายไปบางตอนสุดแต่พื้นจะแข็งหรืออ่อนเพียงใดแต่ที่แน่นอนก็คือรอยเดินนำของเจ้าด้วนซึ่งนานอินแกะได้ทุกระยะโดยไม่มีวันพลาดเนื่องจากตัวมันมีน้ำหนักมากซ้ำยังทำร่องรอยพิเศษโดยการหักกิ่งไม้หรือมิฉนั้นก็พลิกก้อนหินไวให้เห็นรอย ว่ามันผ่านไปทางด้านใดบัดนี้ทุกคนเดินตัดลงท้องทุ่งหญ้าอย่างเร่งด่วนโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอาหารเที่ยงการสาวรอยปรากฏหลักฐานแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าหมอมราชวงศ์ดารินวรารทิ์เคลื่อนหน้าบายทิศทางไปทางด้านไหนบ้างเพราะนอกจากรอยเท้าที่ค้นพบเป็นระยะระยะตลอดจนร่องรอยอื่นๆ เจ้าด้วนก็ยังเป็นมักคุเทศนำตามรอยของราชสกุลสาวไปอย่างแม่นยำยิ่งโดยเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าไม่มีวันผิดพลาดทุกระยะทุกตอนในเขตท้องทุ่งที่น้องสาวคนเล็กของคณะผ่านไปเมื่อวานนี้ถูกค้นพบหมดอย่างไม่ตกหลน่นยิ่งสร้างกำลังใจและความยินดีให้แก่คณะของเชษฐาเพิ่มขึ้นทุกขณะ เท่าเท่ากับที่เกิดความกระวนกระวายใจไปพร้อมกันเนื่องจากชายันจะยิงปืนสั้นขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณเรียกขึ้นทุกๆุกกครึ่งชั่วโมงของการแกะรอยนั้นแต่ก็ไม่ปรากฏวิแวว ว, ว่าจะมีเสียงปืนหรือเสียงอื่นใดตอบรับมาให้ฝ่ายติดตามได้ยินเลยมันเงียบกริบเงียบยังเต็มไปด้วยปริศนาหน้าคิด ทุกคนมีความเห็นอย่างเดียวกันหมดว่าจะต้องสาวรอยกระชั้นชิดไปให้ถึงที่สุดเพราะลงได้พบหลักฐานสดๆร้อนๆชัดอยู่แล้วเช่นนี้มันย่อมยากที่จะคลาดเคลื่อนออกไปได้